วันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2538เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพ ธ, ธิสัตธา a ท่านสาธุชนที่เคารพวันนี้จะนำเอาพระสูตรที่มีชื่อว่ากัจจานะโคตรสูตรจายณนะกัจจานะโคตรสูตรตามที่เรียกในบาลีนี เป็นชื่อของพระมหากัจจายนะที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการเรียกชื่อพระกุณเจ้ารูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลด้วยอํานาจของโคตคือกัจจายนะโคตซึ่งเป็นโคดใหญ่โคดหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนื้อหาสาระของสูตรนี้เป็นการอธิบายเรื่องสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวหลักเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างย่อที่สุดคือ ทิฏฐิสองอย่างนี้ทิฏฐิในพระพุทธศาสนานั้นมีสามระดับระดับต่ําหรือระดับเบื้องต้นอีกอย่างหนึ่ ง, ท, งทั้ทงสำมาทิฏฐิทั้งมิจฉาทิฏฐิระดับกลางก็เป็นอย่างหนึ่งและระดับสูงอีกอย่างหนึ่งระดับเบื้องต้นเนี่ยได้แก่ที่สมบัติกับทิฏฐิวิบัติสิบอย่าง คือความเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องชาตินี้ชาติหนา้านี่ถือเป็นทิฏฐิเบื้องต้นถ้าเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเบื้องต้นชาวพูดก็ดีไม่ใช่ชาวพูดก็ดีต้องมีสมบัติในทางความเห็นส่วนนี้ให้ครบและให้ชัดเจนใครชัดเจนมากก็มีชีวิตที่ปลอดภัยมากเพราะว่าคนที่ละทิฏฐิไม่ได้เนี่ยไปอบายได้ แต่คนใดที่มีสัมมาทิฏฐิชัดเจนเท่าไหร่โอกาสที่จะไปอบายก็ยากขึ้นสัมมาทิฏฐิหรือทิฏฐิที่เป็นความเมตตผิดเบื้องสูงผมพูดถึงเบื้องสูงก่อนได้แก่สัมมาทิฏฐิในองค์มรคคือความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับนิพพานใครที่เห็นนิพพานรู้นิพพานตามความเป็นจริงก็คือพระอริยเจ้าครับระดับอริยเจ้า ชือว่าเป็นผู้มีสั ม, มาธิที่เบื้องสูงและใครที่สําคัญสิ่งไม่ใช่นิพพานโดยความเป็นนิพพานคนนั้นถือว่ามีมิจฉาทิฏฐิเบื้องต่ําแต่พระอาจารย์ต้นมิจฉาทิฏฐิเบื้องสูงนี่ผมพูดสูงคู่ปิดคู่ถูกให้ฟังคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเบื้องสูงเนี่ยไปสวรรค์ได้อาจจะอยู่ในศีลาอาจาริอะไรต่างๆได้แต่ว่าไปนิพพานไม่ได้และไม่ใช่อริยะ ดังนั้นอันนี้เป็นหลักที่เวลาเราจะเลือกคบกัลยานมิตรไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมเวลาเราดูเนี่ยเราต้องดูดูความสมบูรณ์ของศีลแค่ไหนนี่อันหนึ่งนะบาทีก็ศีลผ่านสมาธิผ่านแต่พอไปถึงความเห็นเนี่ยคนระับบางทีความเห็นชั้นต้นก็ไม่ผ่านยังไม่เชื่อก ร, รมเนี่ยให้ดีวิเศษไงก็ เป็นมีจาาทิฐิชั้นต่ำอยู่วันอย่างค้างไม่เชื่อว่าเท ว, วดามีสวรรค์มีนรกมีนะข้อนี้ไม่แล้วก็ถ้ายังอื่นดีหมดเชื่อนระกเชื่อสวรรค์แต่สําคัญสิ่งที่ไม่ใช่นิพพานว่าเป็นนิพพานเสียหายความเห็นเบื้องสูงเป็นอริยะไม่ได้นีบ่ว่าตามหลักนะตามหลักในในอภัยปิฎกเนี่ยเพะคือว่าอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ดู บางทีก็รู้ว่าอ่อนอันนี้แล้วเราก็เลือกต้องเลือกนับถือเอาอันใดที่เห็นว่าไม่ถูกโดยความเข้าใจเราแค่ไหนเราก็ปล่อยวางไว้แค่นั้นทีนี้ทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเบื้องกลางเนี่ยคืออะไรคือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอัตตาอนัตตาทาไมถึงว่าเป็นเบื้องกลางเพราะในเบื้องกลางนั้นคนจะ ก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นอริยะได้จะต้องมีอาธิพรมจรย์ตรงนี้คือต้องรู้เรื่องอนัตตาคนที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดยังเป็นอนตานุติธิยังมีสัตตานุติิเยอะแยะไปใช่ไหมครับเกิดจะเรียกได้ว่าส่วนยาส่วนมากถ้าภูมิปริยัติที่เรียกว่าวิปัสนาภูมิไม่ถึงไม่มีเนี่ย ก็ไม่เข้าใจตรงนี้ความเห็นพอมาถึงจุดนี้เ้าเบนไปทางอื่นและชื่อว่าไม่มีอาที่พรมจรรย์คือไม่มีที่อาศัยที่จะทำให้บรรลุเป็นอริยบุคคลได้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งและพระสูตรนี้นะถ้าถามว่าพูดถึงสัมมาทิฏฐิเบื้องไหนเป็นทิฏฐิทางกลางไม่ได้พูดถึง ทิฏฐิวิบัติคู่กับทิฏฐิสมบัติเหมือนอย่างพระสูตรหลายๆที่พูดหรืออย่างที่ทรงแสดงแก่บางคนแต่พูดถึงเรื่องอัตตาอนัตตาสูตรนี้นะพูดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัตตาอนัตตาว่านี่เป็นทิฏฐินิสัยของชาวโลกเห็นผิดบ้างเห็นถูกบ้างเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าในทิฏฐิท่ามกลางเห็นถูกคือเห็นนัต เห็นอนัตตาแต่เห็นผิดเห็นว่าไงเห็นว่าอาตาเห็นว่าอัตาและอัตาจะเป็นอย่างไรนั้นโดยย่อท่านพูดไว้ในสองนี้แล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งกู่เพราะฉะนั้นขณะนี้นะวาถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วเกิดเป็นต้นมีจริงเราสอบผ่านมิจฉาทิฏฐิเบื้องต่ําเรายอมรับหลักอนัตตาและเข้าใจเรื่องอนัตตาจริงๆ เรามีสัมมาทิฏฐิธรรมกลางแต่สัา ม, มาทิฏฐิเบื้องสูงนะ่ะยังไม่ถึงอาจจะมีบางคนถึงผมไม่รู้แต่ว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงก็มาจากสองอย่างนี้แต่ที่ถือว่าเป็นปัใจจัยใกล้ชิดคือสัมมาทิฏฐิธรรมกลางที่ถือเป็นอาตีปรมอาจารย์ที่เราเคยพูดพูดกันบ่อยแล้วดูสูตรนี้โดยลําดับต่อไป พระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาตาบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระกัจจานะโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่เวีส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าใดหนอ จึงชื่อว่าสัมมาทิฏิการมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ของท่านกัจจายนะนั้นถามว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรื อ, อยังตอบว่าเป็นแล้วและที่มาถามนี้ก็มาถามอย่างลักษณะที่เรียกว่าพระอรหันต์ที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ย่อมจะต้องแสวงหาการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นที่อ้างอิง พระพุทธเจ้าได้สาธะอะไรอย่างไรเนี่ยจะเป็นของที่เรียกว่าถ้าพูดกับพระอรหันต์ก็เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากรู้ว่าต้องความต้องการของท่านอยู่ตรงไหนเรื่องอะไรถ้าคําถามอย่างนี้ถามโดยชาวบ้านเช่นมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะที่เรียกว่าทิฏฐิวิบัตินั้นเกืออะไรทิฏฐิสมบัติเกืออะไรท่านพูดเรื่องทิฏฐิสิม้าจะเป็นชาวบ้านพูดงั้นนะ เวลาเตือนแถวบ้านก็จะเอาทิ่ถีสิบเนี่ยไปพูดไปรับประกันชาวบ้านให้พ้นจากทุกขติไปแต่พระอาหารหันต์ที่มาพูดอย่างนี้ท่านพูดในมาตรฐานของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพน้นถึงแม้ว่าจะหลุดพ้นแล้วเนี่ยท่านกัจจยนะเนี่ยท่านก็รู้อยู่ในแวดวงเขาพูดเขาจากันทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาเนี่ยตกรกตาท่านแก่ เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเรื่องพูดกันสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นคำติดปากพูดกันถึงท่านกัจจายนะก็อยากได้ฟังจากพระโอร์พระเจ้ า, าคำพูดที่พูดกันในหมู่ของเทวดานักปฏิบัติพระนักปฏิบัติท่านจะพระผู้มีพระพราคจะตรัสอธิบายโดยย่อว่าอย่างไงด้วยเหตุอะไรหรือมีคุณสมบัติอย่างไรนะคําว่าเหตุเท่าไรเนี่ยก็คือเห็นว่าอย่างไรไอ้ความเห็นว่าอย่างไรนะคือ เป็นเหตุแห่งสัมมาทิฏฐินั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสอุเทศเป็นเบื้องต้นก่อนว่าดูก่อนกัจจายนะกัจจายนะโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างความมีอัตตาความไม่มีนัตตาเราอธิบายเป็นตอนไป คำว่าโลกนี้นะคืออะไรคืออะไรครับโลกมีอยู่สามโลกสามอย่างหนึ่งสัตว์ตะอาเอาโอกาสโลกตัวโลกที่เราอาศัยอยู่โลกคือที่อยู่โอกาสโลกสองสัตว์ตะวะโลกโลกคือตัวสัตว์อย่างเราก็เป็นโลกโลกหนึ่ง หรือโลกคือหมู่สัตว์ทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นโลกคือหมู่คือสังคมก็เรียกว่าจะเป็นปฏิจเจ้าชนหรือสังคมเรียกว่าโลกได้ทั้งคู่เรียกว่าสั ต, ตว์ตวโลกและที่สามก็คือสังขารละโลกสังขารลโลกหมายถึงรูปและนามเรียกว่าสังขารละโลกโลกสองอย่างแรกนะเป็นโลกโดยสมมุติติโวหัน ก็ไม่มีจริงโดยปรมัติศเกิดขึ้นจากการรวมตัวของปรมัติศใช่ไหมครับอย่างเช่นโลกที่เราอยู่นะั้นไม่มีจริงเรามาสําคัญว่ามันมีจริงๆมันไม่มีสภาวะรองรับในความเป็นโลกประกอบขึ้นจากใด ไ, ออไรมากมายแล้วเราก็ไปตั้งชื่อสมมติเรียกว่าโลกนั้นโลกนี้และสัตว์ก็ไม่มีจริงส่วนสังขารและโลกนั้นเป็นปรมัติศโวหาร เป็นโลกที่มีจริงและคำว่าโลกที่ใช้อยู่ในสูตรนี้มีสองอย่างสำหรับโลกนี้ในคำแรกนี้หมายถึงหมู่สัตว์โลกนี้คือหมูสัตว์และหมูสัตว์เนี่ยหมายรวมทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะอยู่ในภูมิไหน3ามเอดภูมิหมดเลย เพราะฉะนั้นคำว่าโลกนี้โดยมากเกียงหมายถึงสัตว์ส่วนมากเมื่อพูดว่าสัตว์ส่วนมากหรือโลกส่วนมากก็ต้องมีโลกส่วนน้อยในสูตรนี้บอกว่าสัตว์ส่วนมากเห็นผิดมาอย่างใดก็อย่างหนึ่งสองอย่างแลวสัตว์ส่วนน้อยสัด์ส่วนน้อยไม่เห็นผิดอย่างนี้ถามว่าสัด์ส่วนน้อยคือใครและสัตส่วนมากคือใครนี่ เราคงจะเดากันได้เหมือนอาตถกาถาบอกว่าสัตว์ส่วนมากคือปุถุชนอันธะปุถุชนนี่นะฮะถือเป็นสัตว์ส่วนมากสำคัญว่ามีตัวมีตนแล้วแบ่งออกเป็นสายความคิดสองสายใหญ่ๆใช่ไหมยังมีส่วนสัตว์ส่วนน้อยที่ ละความเห็นนี้ได้อย่างเด็ดขาดคือพระอริยะบุคคลแล้วก็ที่พอพนวกเข้าไปด้วยได้ยังเรียกว่าครึ่งครึ่งผีครึ่งคนอยู่เนี่ยก็คือกัลยาณพุทธชนกันลยาณพุทธชนคือคนดีที่มีวิปัสนาภูมิเราก็อย่าลืกว่าเราเนอะไม่สําคัญว่ามีตัวใช่ไหมครับตัวมีบางครั้งบางครั้งก็เห็นว่าไม่มีตัวเวลาพูดเวลาพิจารณา ทำวิปัสสนาก็รู้สึกว่ามันเป็นอนอัตตาแต่เวลาใครเขาจะมาก็หยิบก็ยืมเอาข้าวเอาของไปชักจะมีตัวขึ้นมาแล้วรชักรู้จักหวงรู้จักแหนของหายใครก็ยืมแล้วไม่ใช้กชักรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วมันก็เข้าเก่าอาอก อ, อย่างนี้แต่ก็ยังนับว่าประเสริฐกว่าคนที่ไม่ยอมรับเลย ไม่ยอมรู้สึกเลยไม่เคยมีความรู้สึกก็ไม่มีตัวตนเลยเราอาจจะคุ้นกับบรรยากาศของการพูดถึงเรื่องอนัตตาอย่างฝังใจเป็นเวลาหลายปีจนลืมไปว่าคนส่วนมากเนี่ยอย่าได้ไปพูดกับเขาเนนะเรื่องอนัตตาเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจจะเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องน่าหัวเราะน่าดูถูกคนคิดอย่างนี้เหลือเกิน หรือเป็นตัวถ่วงความเจริญละไรสารพัดเสียกิจอย่างผมเนี่ยผมก็มางทีนั้นนาก็เผลอลืมเหมือนกันแหละนึกว่าคนอื่นเขาต้องก็้าใจแต่มันนึกนึกมอ ง, มองดูก็ได้รู้ว่าโอ้โหคนส่วนใหญ่เนี่ยพูดกับเขาอย่างนี้เป็นคําพูดที่ไม่ควรจะพูดกับคนทั่วไปเลยพูดกันไม่รู้เรื่องเลยพูดกันไม่สนุกเลยเพราะฉะนั้นสัตว์ส่วนใหญ่ จึงมีความเห็นว่ามีตัวตนแต่คําว่าเห็นว่ามีตัวตนเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยท่านวางความคิดที่เป็นสัตอาเป็นอัตอัตใช้คําว่าอัตตาสัญญาก็ดีอัตตานุติตริก็ดีความเห็นตามตนมันมีอยู่สองพวกใหญ่พวกหนึ่งเป็นพวกอัตตา ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตตะทิฏฐิในนี้ไม่ได้เรียกอย่างนั้นก็เลยต้องวงเล็บใสามาหรือในบางแห่งพระไตรปิฎกบางแห่งตรัสเรียกว่าภาวะทิฏฐิเห็นว่ามีมีเนะี่ยคือมีจริงๆมีตัวตนจริงๆที่อธิบายโดยประการต่างๆมันต่างกันในเพียงว่าตนเป็นอย่างไรนั้นเองอะไรเป็นตนและอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นว่าไม่มี คำว่าไม่มีตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เรียกว่าอุเฉททิตติเห็นว่าขาดศูนย์หรือเรียกว่าวิภาวะทิตติแปลว่าไม่มีนะโดยตรงเลยก็ได้แล้วก็นักกิตาก็แปลว่าไม่มีคำว่าไม่มีตรงนี้ไม่ใช่เห็นว่าไม่มีตัวตนแล้วเป็นอนัตตานะผมเคยบอกแล้วว่าอนัตตากับอุเฉททิตติเนี่ยคนละแบบกันครับ เราพูดถึงอนัตตาก่อนอนัตตานั้นถือว่ามีแต่นามรูปในโลกนี้มีแต่สภาวะที่เป็นนามนรูปไม่มีตัวตนโดยความเป็นปรมัต์พวกเห็นผิดนี่ก็ถือว่าในโลกนี้ไม่ได้มีแต่สังขารไอ้เปลือกนอกแต่มีตัวตนคลองอยู่ แล้วก็ไปชี้ว่าสัญญาเป็นตนบางวิญญาณเป็นตนบ้างหลายขแขนงในการแต่ก็ถือว่าเป็นตนและอธิบายคุณลักษณะศักยภาพออกไปต่างๆกันไปส่วนอุดเฉทะเนี่ยถือว่ามีตนเฉพาะในชาตินี้อันนี้ท่านบอกไว้เลยนะว่าศาสดาในโลกนี้มีอยู่สาม ท่านคงจะจําได้ตอนที่พูดถึงเรื่องอภยากตะปัญห า, าศาสดาพวกหนึ่งบัญญัติว่าตนมีทั้งโลกนี้และโลกนั้นคือพวกาศาสตราในถือว่าตนเที่ยงพูดง่ายว่า ท, ที่ที่ว่าสเที่ยงเนี่ยคือตนเที่ยงไม่แปรปลวนไปกับการเวียนไหวใจเกิดการเวียนไหวใจเกิดเป็นอาการกางนอกส่วนนัททิตาเนี่ย ถือว่าตนมีอายุจำกัดเป็นศาสดาพวกที่สองที่บรรยัติตนมีจริงเฉพาะในชาตินี้ชาติหน้าก็เป็นอันว่าตนดับแล้วก็อธิบายเพราะว่ากี่ชาติเี่มันก็แตกกระแนงไปอีกนี่คือพวกนัติตาหรืออุดเชธะซึ่งไม่ได้แปลว่าเราทุกคนเนี่ยไม่มีตนอะไรอย่างอนัตตาพุทธนะ แต่เขาบอกว่าเรานั้นมีตนที่มีอายุจํากัดแล้วก็บอกอะไรเป็นตนมีอาก็คือเราไม่มีจิตวิญญาณตัวเนื้อตัวเราเนี่ยเป็นตนเพราะฉะนั้นคนนี้เขาก็มีความเห็นแก่ตัวมีความยึดถือว่านี่คือตนเวลาเขาสอนเขาบอกเราเนี่ยตนต้องรักษาตัวให้ดีบริหารตัวให้ดีโกงเขานะโกงไปเถอะแต่ต้องระวังรักษาตนอย่าให้ติดคุกอะไรอย่างเงี้ยนะสารพัดอย่างที่จะสอนเพื่อ ใช้ความเป็นตนในปัจจุบันให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดตอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าจึงบอกว่าศาสดราพวกนี้บัญญัติตนว่ามีจริงเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแต่พุทธแล้วเนี่ยเราถือว่าไม่มีอชาติก่อนมีชาตินี้มีชาติหน้ามีแต่ไม่มีตนเลยอยู่สักแท้จริงอยู่สักชาติเดียวเป็นความเคลื่อนไหวลื่นไหลของกระแสนามรูป ชาตินี้ก็ไม่มีชาติไหนก็ไม่มีในตัวเราชี้ไปที่ไหนก็ไม่มีฐานะที่จะบอกว่าเป็นอัตราได้สักที่เดียวในตัวเรานี้เพราะฉะนั้นสองพวกนี้จึงเป็นพวกเห็นว่าตนมีและอธิบายตนเป็นสองสาขาใหญ่แล้วก็ก็จริงนะเพราะว่า โลกได้เกิดขึ้นมาแล้วนานเท่าไรสังคมพัฒนามาจนถึงยุคนี้มันก็ยังมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องตนเนี่ยที่เราบอกไปพูดกับใครเนี่ยเขาไม่ไม่ยอมรับอนัตตาเนี่ยแต่เขบอกว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยคนยกมือรับเยอะแยะเลยใช่ไหมไอ้ที่เขายกมือรับบอกว่าคนตายแล้วศูนย์เนี่ยแปลว่าเขายอมรับว่าอนัตตาเลยเขาไม่เห็นแก่ตัวหรือไม่ใช่ไอท้ทีบอกว่าอนัตตาพูดไม่รู้เรื่อง แต่เขาบอกว่าตายแล้วสูนย์เราพูดรู้เรื่องหาว่าเป็นความคิดที่ทันสมัยสาหรับยุคนี้นะแต่ยุคก่อนนั่นก็เป็นศาสนากันเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องการตายแล้วเกิดกับอนัตตานั้นไม่ได้ขัดแย้งกันหลับกระตื่นหลับแล้วตื่นไม่ขัดกับอนัตตาใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่ใช่ตัวชาตินี้ก็ไม่ใช่ชาตนามก็ต้องไม่ใช่ ความเชื่อเรื่องตายเรื่องเกิดจึงไม่ขัดแย้งกับเรื่องความเชื่อว่าไม่มีตนเป็นจริงโดยประมัดนะคือเรื่องอนัตตากับการเวียนว่ายตายเกิดไม่ขัดกันด้วยประการอย่างนี้เราดูคําว่านิสิตนิสิตเนี่ยเป็นคาหรูมมากสมัยนี้ นักเรียนกับนิสิตไม่เท่ากันนิสิตนิสิตโตแปลว่าผู้อาศัยผู้อาศัยนิสัยที่อาศัยนิสิตแปลว่าผู้อาศัยในทางธรรมะนั้นเขาใช้คำนี้กว้างมาสัตว์อาศัยโลก ก็เรียกว่านีสิทธ์ได้เราเนี่ยเป็นนิสิตของโลกอาศัยบ้านอาศัยยาอาศัยเครื่องหนู่มผมเราก็เป็นนิสิตเสื้อผ้าเป็น น, ปนิสัยใจจีวรเป็นนิสัยเราเป็นนิสิตบ้านเป็นนิสัยเราเป็นนิสิต ใ, ใคงใส่อยู่บ้านไหนก็เป็นนิสิตหมู่บ้านนนะ ใครอยู่โรงแรมไหนก็เป็นนิสิตโรงแรมนั้นเอนะพูดอย่างภาษาธรรมะนะะแล้วก็อาศัยครูนี่ที่เราเอามาใช้ว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยหมายถึงอาศัยครูเป็นนิสิตของใครเราจะเห็นทางโบราณเนี่ยยังใช้อยู่ไปอ่านหนังสือกเก่าๆเนี่ยก็จะเขียนหนังสืออะไต่าง ๆ, ๆ, ๆนี่นะเขาจะบอกว่าโดยคนนี้นิสิต ของเจ้าคุณรูปนี้ออย่างเจ้าคุณวัดมาธาตุสมเด็จองหนึ่งอ่ะมีรูปมีนิสิตเก่งๆ เ, เยอะมีนิสิตเก่งเยอะก็ไปเจอผมก็ไปเจอหนังสือรุ่นเก่าๆมันจะเขียนทิ้งได้เนี่ว่าเป็นนิสิตของอสมเด็จสมเด็จสมเด็จอะไรวันละวันละเทียนเก่งจารีอะไรเงี้ยก็เป็นนิสิตครูแล้วก็ เป็นนิสิตของบุญของกรรมที่เราได้ทําเราเป็นนิสิตเป็นผู้อาศัยอย่างเราอาศัยบุญชีวิตเราเป็นนิสิตของบุญทีนี้มีอย่างที่อยู่ในสูตรนี้คือนิสิตของกิเลสเป็นนิสิตของกิเลสเป็นผู้อาศัยกิเลสกิเลสเป็นผู้ บอกให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ได้ใช้คาว่าบังคับเนะเพราะเรามีกิเลสเราก็นึกว่ากิเลสเป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งพาอาศัยกิเลสานังสรารนังกระชามีอะไรทำนองนี้นะเราก็อาศัยกิเลสเพราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมและความคิดของเราแทบจะทั้งหมดเนี่ยเราอาศัยกิเลสหลัก อยู่สองตัวคือตัณหาและทิฏฐิเวลาท่านเอาสองตัวท่านพูดงี้นะตัณหาและทิฏฐิในที่นี้นะท่านเอาทิฏฐิขึ้นหน้าตัณหาตามหลังเพราะว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันเกิดในโลภะมูลจิตใช่ไหมครับนั้นทิฏฐิมีที่ไหนก็แปลว่าโลภะจิตปรากฏที่นั้น เรามีพฤติกรรมทุกอย่างโดยธรรมดาโลกส่วนใหญ่นี่ท่านพูดถึงโลกส่วนใหญ่อย่างเรานี่ก็เกือบจะเรียกว่าทําไม่ได้จเจริญสติไม่อย่างถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ยนะเราก็เคลื่อนไหวอิริยาบถทุกสิ่งทุกอย่างโดยอํานาจเป็นนิสิตของตัณหาหรือของทิฏฐิกับตัณหาจึงชื่อว่าเป็นผู้อ า, าศัย เหลือกลัวอากัสายทำนู่นทำนี่จนกระทั่งเราเข้าใจว่าถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะทำนั่นทำนี่ไม่ได้ทำนั่นทำ น, น, ทำนี่ไม่ได้ดีเราก็คิดไปลักษณะอย่างนั้นแล้วก็คิดเลยไปถึงว่าถ้าเราไม่มีตัณหาแล้วชีวิตเราจะไม่มีความสุขไม่ไม่ทำอะไรด้วยวางแผนด้วยกิเลสตัณหาแล้วเราจะประสบความสำเร็จไม่ได้เราก็คิด ส่วนทางซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะมันเข้าใจยากนะธรรมะเนี่ยนะเข้าใจยากจริงๆว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นแล้วจะได้รับความสําเร็จอย่างไรเราก็ทําด้วยอํานาจของกิเลสแต่ว่าไอตอนที่เราทํำด้วยในกิเลสก็อย่าไปบอกว่านางคุณทําด้วยกิเลสนะเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่กิเลสยกให้เป็นเรื่องของความเฉลียวฉลาดสติปัญญาอะไรไปนนู่นไปแต่พูดในภาษ า, ษาธรรมะก็คือกิเลส ปรัสต่อไปว่าเมื่อบุคคลในประเด็นที่ผมอธิบายมาแล้วเนี่ยท่านพูดถึงธรรมดาของสัตว์ส่วนใหญ่แล้วก็ต่อไปนั้นจะพูดถึงสัตว์ส่วนน้อยที่ได้หักความเห็นหักความคิดมาอีกทางหนึ่งและได้มาทำอะไรบางอย่างอีกทางหนึ่งก็มีความเป็นไปอีกอย่างหนึ่ง จึงได้ตรัสว่าเมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแล้วความไม่มีในโลกย่อมไม่มีแล้วผมอ่านเลยต่อไปตรัสว่าเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแล้วความมีในโลกย่อมไม่มี เนี่ยที่ผมว่าเป็นพระสูตรที่อ่านแล้วเข้าใจยากยากทั้งโดยคําพูดดูวอกวกวนๆแล้วก็ยากทั้งโดยความหมายว่าเห็นอย่างนั้นแล้วไปละความคิดเห็นตรงกันข้ามได้ยังไงก็จะอธิบายต่อไปนี้ที่ ว, ว่าเมื่อบุคคลเห็นเนี่ยบุคคลนั้นคือใครก็ตอบว่าบุคคลนั้นคือกัลยาณภุตุชนหรือพระอริยะ ที่เห็นแล้วเห็นอยู่เนี่ยนะแล้วก็เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นได้ด้วยตาแล้วก็ไม่ถือเอาการเห็นด้วยปัญญาที่เป็นภูมิปริยัติอันนี้ไม่ไม่ไม่ประสงค์เอาแค่นั้นปริยัติน่นแค่เป็นฐานเป็นเบื้องต้นถ้ายังไม่ปฏิบัติจนเห็นก็เรียกว่ายังไม่เห็นในความหมายนี้ปัญเห็นด้วยปัญญาสองอย่าง ปัญญาอย่างแรกคือวิปัสนาปัญญาที่ไปกําหนดเห็นอนัตตาอย่างที่สองก็คือมรรคขปัญญาที่เห็นความเป็นอนัตตาโดยสมบูรณ์ก็เลยอธิบายตรงนี้ซะเลยว่าการเห็นอนัตตาด้วยวิปัสนาเนี่ย ว่าเห็นโดยอารมณ์โดยเห็นลักษณะของนามรูปว่าเป็นอนัตตาต่อหน้าต่อตาอยู่เห็นอนัตตาเห็นอย่างไรนะไม่ไม่ขออธิบายต่อนะทีนี้ถ้าเห็นโดยมรคมรคเห็นอนัตตานั้นเเรียกว่าเห็นโดยในเห็นโดยในหมายถึง ผู้นั้นถึงความแจมแจ้งเรื่องอนัตตาจนเต็มบริบูรณ์แล้วก็หน่วงอานิพานเป็นอารมณ์อยู่แม้ไม่มีอนัตตาปรากฏอยู่ต่อหน้าไม่มีนามรูปปรากฏอยูตอ่ต่อหน้าก็ถือว่าเห็นด้วยอํานาจของความไม่มีความหลงเรื่องนี้เหลืออยู่อีกก็เรียกว่าเห็นโดยนยันยนัยปฏิเวทสําหรับวิปัสสนาเนี่ยเป็นอารามณนะปฏิเวทเห็นอยู่ด้วย อำนาจการกำหนดรู้ต่อหน้าต่อตานี่คือคนเห็นด้วยคนสองคนด้วยปัญญาสองอย่างและคำว่าความเกิดแห่งโลกคำว่าโลกตรงนี้ถามว่าหมายถึงอะไรตอบว่าหมายถึงสังขารและโลกเท่านั้นไม่ได้เห็นโอกาสสโลกไม่ได้เห็นสัตว์ตะโลกเพราะสัตว์ตโลกเป็นสมมติไม่ใช่อารมณ์วิปัสนา โอกาสสโลกเป็นสมมติไม่ใช่อารมณ์วิปัสนาต้องเห็นสังขาระโลกสังขาระโลกเนี่ยจะขยายให้ออกมาเป็นขันธ์ก็ดีหรือเป็นอายตนาก็ดีเป็นาธาตุก็ดีก็คือโอกาสสโลกและที่ในนี้บอกว่าอัตภาพเนี่ยก็คือเป็นภาษาเรียกเรียกขันธ์อีกอย่างโลกก็เป็นภาษาเรียกขันธ์อีกอย่างหนึ่งนั่นแหละเป็นอันเดียวกัน และคำว่าความเกิดแห่งโลกเกิดหมายถึงอะไรเกิดตรงนี้ท่านมุ่งหมายเอาอุ ป, ปาทะขณะที่ปรากฏ <c oughs> อุปาทะขณะที่ปรากฏทั้งผมต้อ ง, องย้ำและต้องคิดให้ดีเพราะอันนี้จะเป็นเรื่องหลักครอบคลุมวงวิปัสนา เกินกว่าหรือยิ่งกว่าที่เราฟังเรื่องยานบิปกที่กำหนดเป็นขณะปัจจุบันเฉพาะหนะ้าคำว่าเกิดในหมายถึงอุปาทาที่โผล่ขึ้นมาเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันอา ก, การทั้งในอดีตการคือหมายถึงความเกิดที่มีในอดีตอุปาทธาขณะในอดีตมีใช่ไหมละ่ะกาหนดด้วยยานเดี๋ยวนี้ไปดูปาทาขณะในอดีตได้ใช่ไหมละ่ะได้อุปาทาในอนาคต ที่จะเกิดเราก็กําหนดได้ยาหนี้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเกิดในอนาคตอนาคตจะมีการเกิดอีกได้ใช่ไหมละ่ะนี่แม้ปัจจุบันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ได้ <c oughs> ทีนี้ตรงนี้เนะ่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่างที่ว่าก็ดูปัจจุบันจนกระทั้งจับปัจจุบันได้ก่อนแล้วก็ดูได้ว่าไอ้สมมุติว่า <c oughs> พัทสักเกิดจากอะไรพัทธะเกิดอยู่ เกิดจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดผลต่างสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัต่างเวทนาเกิดอะไรจากอะไรจากเวทนาเนี่ยดูอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นเห็นความเกิดและเหตุเห็นความเกิดอย่างนี้ตามในปฏิจจานะในนี้ท่านพูดถึงในแง่เชิงปฏิจจานเพราะเห็นตรงนี้ก็ไปดูอดีตไม่ใช่คิดเอานะฮะ การเห็นอดีตอย่างนี้เห็นด้วยภาวนาอดีตดับไปแล้วแต่ว่ามันอาศัยไอ้ปัจจุบันเนี่ยเป็นสื่อแทงกลับไปรู้ว่าอดีตก็เป็นอย่างนี้อนาคตก็เป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้คนอื่นก็เป็นอย่างนี้ต้องย้ำว่าไม่ใช่มานั่งคิดแล้วก็นี่คือวิปัสสนาต้องเห็นปัจจุบันลามไปหา การสองที่เหลือเห็นในตนลามไปหาคนอื่น <c oughs> แต่ในเบื้องต้นเนี่ยบางทีมันกลับตลบปัดกันถ้าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นคนจะเห็นบัญญัติลามลึกเข้าไปหาปรมาในี่เบื้องต้นอย่างนี้นะแล้วก็เห็นคนอื่นสิ่งอื่นลามเข้ามาหาตัวอย่างพระประวัติพระในสมัยรัชกาลแล้วเห็นไฟไหม้เห็น ใบไม้ล่วงอะไรเามเข้ามกมาหาตัวเห็นคนแก่ลามก็ามาหาตัวคนอื่นตายลามมาหาตัวหรือแม้แต่คนที่เพ่งอสุภะเส้นเพ่งสร้างศพในสติปัฏฐานงเพ่งคนอื่นลามมาหาตัวอย่างนี้นะเบื้องต้นได้แล้วก็อดีตการลามเข้ามาหาปัจจุบันอนาคตการลามมาหาปัจจุบันเพราะว่าเวลาเราทําใหม่ๆเนี่ยจะบอกว่าปัจจุบันมันพูดได้จะตั้งเป้าหมายแต่เอาเข้าจริงแล้วมัน อดีตมันอนาคตใช่ไหมเราก็ต้องทําขยับขยับเข้ามาก็ยับเข้ามาจับปัจจุบันแท้ๆได้คราวนี้มันย้อนกลับการย้อนกลับเนี่ยมันจะย้อนกลับในลักษณะลึกไม่เหมือนตอนมานะไอตอนมาเนี่ยมันมาตื่นๆแล้วก็เข้ามาหาที่หาปัจจุบันได้ทีแรกก็ตื่นก่อนตื่นก่อนเฉพาะอย่างก่อนแล้วมาลึกทีหลังแล้วเวลากลับเนี่ยมันจะกลับลึก ทั้งคนอื่นก็ลึกด้วยเราก็ลึกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนที่ผมเคยสับสนว่าเอ๊ะทำวิปัสนาเนี่ยมันต้องรู้ข้างในมันจะไปรู้ข้างนอกได้ยังไงมันจะไปรู้อดีตได้ยังไงเราอ่านๆมากเข้ามันมาเจอเรื่องอย่างงี้นะพรเราได้ยินว่ามันจะต้องปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันแล้วก็เสียวิปัสนาเนี่ยพอมาเข้าใจตรงนี้เข้แล้วก็ชัดเลยแล้วก็ยิ่งเห็นความ ขวนเห็นอนุภาพของวิปัสนาชัดเจนขึ้นว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเราเนี่ยมันมันไปแฝงฝังอยู่กับทั้งภายในภายนอกทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันใช่ไหมฮะเพราะนั้นไอการตามเข้าไปกําหนดรู้เดี๋ยวมันเห็นปัจจุบันปัจจุบันไม่เอาแล้วขอตายไปเกิดชาติใหม่จะได้ดีกว่านี้อา้าหรือไันก็เออแม้อดีต น, น้า หน้าถอยกลับแล้วเกิดอะไรเอาวรนอดีตใช่ไหมล่ะหรือก็คนอื่นก็ไปนั่งนึกว่าแม้เราเกิดมาเป็นอนัตตาทาั้ท ง, ทงหัวจดเท้าอันอาาานีจ้จังตั้งหัวจดเท้าคนอื่นเขาอาจตาทั้งหัวจดเท้าสุขขังตั้งหัวจดเท้าคิดอย่างนี้มันยังมีที่อ้างของกิเลสที่จะหลบออกไปปลาหลบ อ, อย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีเหลือเลยในสาสิบเอดภูมิในเตปูมิกวัฒนนี่ ไม่มีเหลือจิตมันก็ไม่ไม่เบี่ยงเหอออกไปหาที่อาศัยกิเลสแม่ไม่มีที่อาศัยเพราะปัญญามันเข้าไปรู้หมดมก็ไปที่อื่นที่เป็นของแท้ที่กำหนดแล้วว่าปลอดภัยไม่เป็นอย่างที่มันเป็นนี้เอ่อ โลกจึงหมายถึงสังขารละโลกอย่างนี้และความเกิดของโลกยึงหมายถึงความเกิดคือเกิดทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะเอาเอาความว่าความเกิดคืออุปาทขณะที่อาศัยเหตุใดเกิดมีเหตุด้วยอันนั้นเป็นความเกิดแห่งโลกเดี๋ยวจะพี่ให้เห็นว่าการกําหนดความเห็นความเกิดแห่งโลกมาเกี่ยวกับการละทิฏฐิอะไรบางอย่างได้อย่างไร ก็เมื่อเห็นความเกิดของโรคด้วยอำนาจของปัญญาอันชอบปัญญาอชอบที่ภาษาบาลีเรียกว่าสัมมัตปัญญาเนี่ยเป็นคำที่ไปเลาะแต่มีความหมายสูงครับความหมายสูงก็คือปัญญาสองอย่างอย่างที่ว่าแล้วคือเห็นด้วยปัญญาแต่คำว่าเห็นทีแรกจึงใจเป็นเหมือนเป็นกิริยาของปัญญาปัญญาเป็นผู้เห็น แต่ท่านเอาคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเป็นการพูดในลักษณะว่าผู้ปฏิบัติผู้เป็นเจ้าของปัญญานั้นเห็นพูดหักเหมือนกับว่าคนเป็นผู้เห็นความจริงใครเห็นปัญญาเห็นเหมือนเราเป็นผู้เห็นเราก็บอกว่าเราเห็นเนี่ยความจริงตาเราเห็นไม่ใช่ตัวเราเห็นแต่เราพูดลัดเข้ามาหาคนข้อความที่ตอกไปว่า ตามความเป็นจริงก็คือจริงอย่างที่ทฤษฎีบอกด้วยอันหนึ่งแล้วก็ทฤษฎีที่บอกโดยพระพุทธเจ้านั้นบอกตามสภาวะที่เป็นจริงเวลาเห็นก็ต้องเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นคือเป็นกรณีอย่างเราเนี่ยเราก็เรียนเขาเรียกว่าเรียนวิปัสนาภูมิอย่างที่พูดพูดกันแหละเรียนวิปัสนาภูมิเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพุทธพธุทธธรรมมาส่วนมากสอนเป็นเรื่องวิปัสนาภูมิเกือบจะทั้องใจปิดก เราก็ล่าเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ยอมรับยอมรับสิ่งที่บอกแล้วก็เอาไปปฏิบัติให้เห็นตามความจริงอย่างที่เรายอมรับทีนี้ถามว่าความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรที่บอกเห็นตามความเป็นจริงคือความจริงของโลกโลกนั้นเป็นทุกข์บางที ท่านก็เลยเรียกซะเลยว่าทุกคำนี้ทุกที่พูดถึงตรงนี้เป็นคำใหญ่มีความหมายปฏิเสธอนัตตาด้วยปฏิเสธอนิจปฏิเสธนิจจังด้วยปฏิเสธสุขขังด้วยคำว่าทุกตรงนี้นะไม่ใช่ทุกลักษณะแต่หมายถึงทุกในสังสารวัตดังที่เราจะได้พบเนื้อความท้ายสุดมีแต่ทุกกับความดับทุกเนี่ย แล้วก็เกิดเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ได้เห็นคําของพระพุทธเจ้าคําของพระสารีบุตรเยอะเลยเคราว่าเกิดเป็นทุกข์เนี่ยหมายถึงเกิดอย่างนี้จริงๆแล้วมีบทพาลนาอย่างทราบซึิงว่าเนี่ยเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์แก่ก็เพราะเกิดอย่างที่เราได้ยินครูบาอาจารย์เก่าๆท่านพูดกันมาแต่เดิมนะถูกตรงกับโลกธาต์ ที่วัตนุในพุทธศาสนาแล้วใครจะว่าเห็นมองโลกในแง่ร้ายแง่อะไรมันก็ไม่ใช่ยถาภูตะอย่างที่ท่าความจริงเป็นอย่างนี้เรามองโลกในแง่สุขซึ่งมันผิดความจริงก็เลยไม่สมใจเมื่อไม่สมใจก็ความทุกข์ก็เกิดเมื่อเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เนข้อความที่จะอธิบายก็คือที่ว่าความไม่มีในโลก ย่อมไม่มีความไม่มีในที่นี้ย้าพูดสหมัยว่านัตถิตาหรือสัตตาทิทิก็ไม่มีประทานโทษอุอเฉธะนี่นะอุเฉธะไม่มเีเดี๋ยวผมทบทวนความเข้าใจกันนิดหนึ่งอัตตวาทะมีอยู่สองนะที่ว่าแล้วอ่ะ เห็นว่าเที่ยงคือมีตลอดทุกชาติกับเห็นว่าศูนย์คือมีเฉพาะชาตินี้สองอย่างนี้ถ้าพูดถึงค่าในทางทุกขติภัยหรือในทาง เ, าเรียกว่าทุกขติภัยเนี่ยอะไรโทษมากกว่ากันเห็นว่าเกิดแกเห็นว่าศูนย์อะไรโทษมากกว่ากั น, เ ห, น เ, กกเห็นว่าศูนย์โทษมากกว่าในตีค่าในแง่ของอทุกขติภยนะ ความปลอดภัยในในภพเนี่ยกติค่าอย่างนี้แต่ค่าในแง่ของวัตตภัยวัตตภัยเท่ากันคนเห็นว่าตายแล้วศูนย์ก็เห็นเห็นว่าตายแล้วเตี่ยงถ้าพูดถึงค่าในการถอนตนออกจากสังสารวัฏเนี่ยเท่ากันเท่ากันหมายความว่า เมื่อเห็นว่าเป็นตนเห็นยังไงก็ขวางท้งนั้นใช่ไหมขวางเท่ากันเพราะว่าเราเห็นว่ามีตนแล้วทำบุญดากุศลไปเกิดในสุคติก็ทุกอยู่ในสังสารวัตเอางี้ก็แล้วกันว่าทุกข์ในพรมกับทุกข์ในนรกเนี่ยเท่ากันหรือไม่เท่ากันเท่ากันในแง่ของ วัดตาไพ่นะไม่เท่ากันในแง่ของทุกขติไพ่ไอ้ไอที่เราบอกว่าน่ากลัวคือในแง่ทุกขติไัยแต่ในแง่ของสังสารวัตรแล้วเพราะไอ้ทุกในแง่สังท่านเอาในทางสภาวะลึกมันเท่ากันไม่ถึงบอกว่าจิตเกิดดับของ เราผู้มีอายุร้อยปีกับของลมเนี่ยไม่ต่างกันเลยเกิดดับเกิดดับน่ากลัวเท่ากันน่าตะดุ้งกลัวเท่ากันถ้ามาเป็นพระอาหารหันในโลกมนุษย์เนี่ยยังดีสักกว่าไปเป็นอาหารหันบนพรมโลกนะเพราะอะไรรู้ไหมมาไปเป็นอาหารหันบนพรมโลกมีอายุ แ4 0หมื่นสี่พันกับก็เป็นมนุษย์อายุแค่ร้อยปีเนี่ยพูดในแง่ของการเข้านิพพานเนี่ยนะเป็นมนุษย์ดีกว่าเพราะไม่นานก็ตายแล้วแต่เป็นพลมเนือโอโหบรรลุนิพพานแล้วแต่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าในโลกมนุษย์นี่ยเไปกันไหนๆแล้วแล้วผมก็เชื่อว่า แล้วก็จริงด้วยฮะบางคนเนี่ยบรรลุเป็นพระอริยะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแต่เข้านิพพานที่หลังคนบรรลุเป็นพระอริยะสมัยพุทธเจ้าองค์ที่เยอะแยะเลยนะตัว่าท่านเหล่านั้นทา่านไปเกิดเป็นรมแล้วก็อยู่ข้ามสมัยพระพุทธเจ้ามาถึงนีกองหนึ่งยังไม่ได้ไปนิพพานนี่ก็พูดถึงว่าถ้า คิดจะไปนิพพานแต่คนที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยก็ความจริงท่านก็ไม่ล้นลนหรอกครับไม่ล้นลนว่าอยากจะไปใจจะขาดก็ท่านก็ไปตามคืออุเบกขาถึงที่แล้วเนี่ยนะอะไรที่สมควรจะไปยังไงท่านก็ยอมรับสภาพที่จะต้องไปตามนั้นพี่เราเอาความคิดกุฏิชนไปคิดแทนนะฮะคิดแทนพระอรหนันต์เราก็บอกว่าเออถ้าอยากไปนิพพานไวๆก็จําไว้นะครับใครที่เที่ยวบอกพ่าแหมอยากเบื่อเวียนว่ายแต่เกิดก็ จะได้ไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ยังไงโดยเฉพาะชาติสุดท้ายนะเวลาเป็นอรหันต์นะขอเป็นมนุษย์ถึงจะได้ไปนิพพานไวหน่อยหรือมือก็เปลี่นป่วนเปี่ยน เ, ยน เ, ยนเยนว่าแต่เกิดอยู่เฉพาะในชาติอ่าในภพที่อายุ น, น้อยๆ เ, เนี่ยจะได้ไม่เผลอไม่เผลอไปอยู่ในบางภูมิที่อายุมากเกินไปอ่าทีนี้จะที่เหตุผลว่าทําไม การเห็นความเกิดจึงละอุดเคทะเราก็ต้องอธิบายเพราะอุดเคทะทิฏฐินั้นเขาเห็นว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยไม่เห็นความเกิดความเกิดหมายถึงไอ้อย่างเราเนี่ยมองตั้งแต่เห็นในขณะยังไม่ตายไอ้ตอนตายแล้วเกิดใหม่นั่นอีกอีกตอนอย่างเราเนี่ยถ้าเรา เห็นด้วยอํานาจของในที่นี้ท่านหมายถึงเห็นด้วยวิปัสนาเลยมันแน่นอนลึกซึ้งยิ่งกว่าเห็นด้วยอํานาจของอนาคตังตยานหรือจิตตูปปาตยานสมมุติว่าเราทําวิปัสนาเห็นความเกิดดับของรูปของนามว่าเอาตั้งแต่ง่ายๆเราเห็นเออนั่งแล้วเดี๋ยวมันทุกทุกเพราะอะไรทุกแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปหายไปเพราะอะไรเดี๋ยวมันก็มาอีก แล้วจนทั้งเรเห็นจนซึ้งในไอกฎของเหตุและปัจจัยที่มันหมุนเวียนอยู่ในตัวเราเนี่ยแล้วก็เห็นไปถึงอํานาจกรรมไอ้อย่างของเราเนี่ยเราพูดกันแค่ทฤษฎีนะว่าเรากรำเนี่ยมาชุบเลี้ยงเรารักตายชีวิตเราไว้แล้วกรรมเนี่ยก็มาเป็นกระแสน้ําลูกก็เกิดดับเป็นกระแสกระแสแล้วเราจะไม่เอาก็ไม่ได้หนีไม่ได้น้า เก่าดับไปน้ําใหม่เกิดขึ้นพราะอำนาจเหตุปัจจัยมันมีอยู่มันก็เป็นอย่างนี้หยุดไม่ได้เลยไม่เอาก็ไม่ได้จะไปเรื่องเอาอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะเราทําเหตุสําเร็จแล้วฉะนั้นคนที่ไปเห็นปัจจุบันอยู่ต่อหน้าเนี่ยอย่างถึงย้อนกลับไปเมื่อกี้ว่าเห็นปรากฏการชั่วแวบเดียวต่อหน้าไอ้เหตุเหตุเห็นเหตุเห็นปัจจัยนี่นะมันรู้เลยว่ายังไงก็ต้องเกิด และรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้มาอดีตต้องเป็นอย่างนี้และถ้ายังละไม่ได้ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปต้องสืบต่อแม้คนอื่นก็เหมือนกันมันเห็นอย่างมั่นใจแน่ใจโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นบอกมันเป็นความรู้สึกซึ้งและชัดเจนว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่ สิ่ท่านถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องของอปรรษปัจใจคนเห็นแล้วย่อมรู้สึกได้เองถึงพยายามเทียบมันเหมือนกับลางสังหรณ์นะฮไอ้ลางสังหรณ์เนี่ยความจริงก็เทียบไปงัน้นแหละแต่อันนี้มันคล้ายๆกันอารมณ์วิปัสนาเนี่ยยังแต่ลางสังหรณ์เนี่ยไม่รู้มันยังไงมันสังหรณ์ไปงั้นไม่รู้หอนอะไรนหอนสังหรณ์ไปแต่ว่า มีบุปผานิมิตอะไรก็ไม่มีบางทีนะแต่ถ้าคนทําวิปัสสนามันเห็นแล้วก็มันเกิดความปฏิปต่อกันได้เองเหมือนคนค้นคิดเข้าใจอะไรขึ้นมาเนี่ยมองตรงนี้ปั๊บริ้วปฏิปต่อเรื่องเดีลยวโอมันอย่างเงี้ยต้องอย่างงี้แน่หรือถ้าคนที่ทันคนก็พอเห็นพฤติกรรมพับเนี่ยมันอ่านออกเลยว่ายังไงยังไง ให้พูดยังไงก็กลบความรู้ทันของคนบางคนก็ไม่ได้อ่านตั้งกระหัวโจดเท้าได้หมดเลยอันนี้ก็พยายามเทียบให้ฟังว่าอารมณ์ของคนเห็นวิปัสนาเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วจะไปรับรองบอกกล่าวยังไงมันก็ไม่ได้นะฮะมันเรื่องปัจจัตตังมันเรื่องทางลึกอย่างนี้อย่างที่ว่าความคิดมันระบาดไปถึงอนาคต เห็นอยู่ที่เดียวเนี่ยแต่มันระบาดไปถึงอนาคตว่าต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ระบาดไปถึงอดีตจึงทําให้ความเป็นไปของขันเนี่ยมันสืบทอดเป็นอันเดียวกันสืบทอดเป็นเดียวคือหมไม่ได้ขาดตอนก็ได้ความว่าคนเห็นอย่างนี้รู้ว่าไม่ใช่ตนด้วยแล้วสืบต่อด้วยชาติหน้าชาติเก่ามีสืบต่ออย่างไม่ใช่ตัวตน ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับใครเป็นไปด้วยพลังเหตุปัจจัยส่วนอุดเคษะเนี่ยเขาสําคัญว่าตนและพยายามจะบงการไม่รู้ปัจจัยแล้วก็เข้าใจว่าตายแล้วศูนย์แค่นั้นเพราะนั้นเรื่องเรื่องวิปัสสนาเนี่ยผมจึงต้องย้ําว่ามันเห็นจุดเล็ ก, ลกทีแรกทําให้ของกว้างให้เป็นของแคบเห็นจุดเล็กแล้วขยายไปหาเป็นจุดใหญ่ จุดเยอะจุดน้อยไปหาจุดมากแล้วเวลาบรรลุในถึงบรรลุครอบกลุ่มตั้งแต่อเวจีมหานรกไปจนถึงพระวัคพรมทั้งที่ตัวเองเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละแต่ในเรื่องกระบวนการความเจนจบเรื่องนี้แล้วก็ยกให้เลยรู้อย่างแจ่มแจ้งเราถึงเคยได้ยินวิวัฒสนาจารย์บอกว่า เล่าว่าแม้คนบางคนเนี่ยเมื่อก่อนไม่เชื่อนรกสวรรค์นิพพานพอทําวิปัสนาแล้วเชื่อเราก็นึกที่เอาอะไรมาเชื่อเขาไปท่องนรกมาหรือไม่ได้ท่องไปท่องนิพพานมันไม่ได้ท่องเอาอะไรมาเชื่อให้เขามานั่งอธิบายเขาก็พูดไม่ถูกนะก็ได้แต่บอกเขาเชื่อพราะเขาทําอย่างนี้ถ้าพวกเรียนปริยัตหน่อยก็อาจจะพูดชี้แจงได้ พอเข้าใจได้มากหน่อยแต่ที่มันรับรองได้กบเพียงว่าพฤติกรรมเขาอยู่ในกรอบของคนที่เชื่อเรื่องเหล่านี้แล้วพฤติกรรมความสุขในชีวิตเขาเป็นไปอีกแบบหนึ่ง น, นี่แหละครับที่บอกว่าเมื่อเห็นความเกิดเห็นธรรมที่เกิดจากเหตุสืบต่อกันอย่างนี้ก็ละความเห็นว่าเป็นตนแบบขาดศูนย์ พอเห็นว่าเป็นตนในปฏิเสธเหตุปัจจัยอยู่แล้วชจำแล้วอาเภอน้ําใจตัวแล้วก็ขาดศูนย์ก็ปฏิเสธเหตุปัจจัยสืบต่อความจริงไอ้เกิดชาติใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องกระแสะหยาบจันนั้นเองใช่ไหมกระแสะหยาบหยาบมันแค่หัวเรียวหัต่อแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่สืบเฉพาะจากชาติหนึ่งไปสู่ชาติหนึ่งทุกวันนี้มันก็สืบสืบด้วยเหตุปัจจัยคล้ายๆกันแหละ มันเพียงว่าไอ้ตายแล้วไปเกิดใหม่เนี่ยไอ้กรรมหลักมันเปลี่ยนมันก็ต้องมีชีวิตใหม่ขึ้นมาแต่ความจริงในไอ้กรรมมันแทรกมันอะไรแต่อะไรแต่อยู่ในครอบของกรรมใหญ่จะนกกรรมหลักกรรมนําเกิดมันถึงเปลี่ยนอยู่ในในกรอบของไอ้การคุ้มครองของกรรมใหญ่ถ้าตัวไอ้แรกกรรมใหญ่เนี่ยมันจะอยู่กรรมฟากรรมดินมันหมดมันหมดแล้วก็ตายตายแล้วกรรมอื่นเขาก็มาเป็นนายกชีวิตของเรามาบริหารชีวิตเรา ก็ทั้งตายเว้นแต่ว่าถ้าระหว่างนั้นมีการยุบสะพงยุบสะบายก็ตายกลางกลางคันอยู่ยังไปทางกี่ปีก็ตายนะไอ้กรรมอื่นเขาก็เข้ามาครองแทนไอ้ชีวิตเราเขาก็อย่างเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นนครนี่ว่าเป็นคนครแล้วก็มีกิเลสมีกรรมอะไรก็มาบริหารชีวิตเราให้เป็นไปอย่างนี้เกิดบางชาติรัฐบาลบอกหน้าอย่างนี้ไม่เอาเปลี่ยนหน้าใหม่ <Yeah. S 1> เปลี่ยนหน้าให้เราใ ห, าใหม่บุคลิกใหม่ผิวพรรณใหม่ พอพฤกรรมมาบอกไม่มีหางไม่เอาต้องเอามีหางมีเขาด้วยล้าก็ใส่หางใส่เขาแม่เราเราก็เป็นไปเป็นไปตามกระแสเราบังคับตามความอยากของเราไม่ได้เลยนะไออยากนะั้นมันอยากกันได้่ละพัดแต่ทำไมมันไม่สมอยากาอยากอันใดที่สอดคล้องกับกรรมก็สมอยากและถ้ามีกรรมแล้วแม้ไม่อยาก มันก็ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นทั้งดีทั้งไม่ดีเพระนั้นการละได้นี่ท่านจึงหมายเอาละด้วยวิปัสนาเป็นต่ทางท้าประหารแล้วก็ละด้วยมักเรียกว่าสมุดเขท้าปรหารละเด็ดขาดออผมก็คงจะพูดไม่จบจริงๆนะเราครัง้งไว้เฉพาะแค่ตรงนี้ เตาหน้าค่อยว่ากันใหม่ส่ว น, น, นไอ้กระแสเหตุปจัจจัยเหล่านี้ว่าที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องอยู่ในตัวเราเท่านั้นนะเราเนี่ยเป็นเหตุให้แก่ตัวเราเราเป็นผลของตัวเราใ น, ในส่วนปัจจัยหลักนะ่ะอันอื่นก็เป็นทึ่บอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนในเดือนนี้ทิ้งอื่นเน่ยเป็นเครื่องแวดล้อมเท่านี้น เ, เวทนาของเราปัตต า, าของเรานามลูกของเรา ตัณหาของเราพบกของเราชาติกของเราจะรามนตะกของเรามันก็วนเวียนกันอยู่เป็นทั้งเหตุทั้งผลเหตุและผลที่จะดูเห็นได้ไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นดูดูจากตัวเราแล้วเวลารู้ก็ปล่อยรู้ไปถึงคนอื่นสำคัญไม่ดูนะไม่รู้ไปดูอะไรบัณฑิตดูตนหรือว่าบัณฑิตเนี่ยจะพิจนารณาตน มีกำลังของมันดิตคือการพิจารณาตนแต่กำลังของคนบานเนี่ยพิจารณาคนอื่นเป็นเป็นรู้สึกก่จะอยู่ในตามบทโดยมั้งนาจะผ่านมาได้วันนี้ขอยุติตรงนี้นะครับขอเชิญพวกเราตั้งจิตเพื่อ